ปิดกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่สี่สิบสองพระอภิธรรมปิดกเล่มที่เก้าประธานภาคสามพระอภิธรรมปิดกธรรมานุโลม ทุกขะปฐานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งเหตุโคจกะหนึ่งเหตุทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจใจหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้แก่อโทสะอโมหะอาศัยอโลภ ะ, ะ, ะเกิดขึ้นอโลภะอโมหะอาศัยอโทสะเกิดขึ้นอโลภะอโทสะอาศัยอโมหะเกิดขึ้นโมหะอาศัยโลภะเกิดขึ้ น, นโลภะอาศัยโมหะเกิดขึ้นโมหะอาศัยโทสะเกิดขึ้นโทสะอาศัยโมหะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะขัน์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยสภาวธรม ร, วรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรร ม, มที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่อโทส ะ, อ โ, ะอโมหะสัมปยุตตะขัน์และจิตตสมุทฐานรูป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 อาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะหัตถเยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหัตยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่เหตุอาศัยขันที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเหตุอาศัยหัยวัตถุเกิดขึ้น สภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเหตุและจิตตสัมมฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นขันธ์สองเหตุและจิตตสมุมฐานรูปอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะในปฏิสนธิขณะเหตุและสัมปชัญตะขันธ์อาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสาม สภาวธรรมที่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจได้แก่อโทสะโมหะอาศัยอโลภะและสัมยุญตขันเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักรนัยโมหะอาศัยโลภะและสัมยุญตขัน์เกิดขึ้นโมหะอาศัยโทสะและสัมยุญตขันเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะอโทสะโมหะ อาศัยอโลภะและหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุและอาศัยเหตุเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองและเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะในปฏิสนธิขณะ สามปยุติขันอาศัยหทัยวัตถุและเหตุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามอโทสะอโมหะและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุและอาศัยอโลภะเกิดขึ้นขันสองอโทสะอโมหะและจิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันสองและอโลภะเกิดขึ้นพึงผู่เป็นจกนักรนายขันสามโมหะและจิตตสมุฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุและอาศัยโลภะเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะอาโทสะอโมหะและสัมบยุตขันอาศัยหัตยวัตถุและอโลภะเกิดขึ้นอารามณปัจจัยเป็นต้นสี่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยเว้นรูปเสร็จแล้วอรูปเท่านั้นมีก้าววาระเพราะอาธิปติปัจจัยไม่มีปฏิสนธิบริบูรณ์แล้วอาศัยมหาภูต ร, รูปหนึ่งจิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทิยรูปอาศัยมหาภูต ร, รูปเกิดขึ้นนี้เป็นข้อแตกต่างกันเพราะอนันตระปัจจัยเพราะสมนันตระปัจจัย เพราะสหชาตปัจจัยพึงเพิ่มมหาภูตรูปทั้งหมดจนถึงอสัญญาสัตวพรมเพราะอัญญามัญญปัจจัยเพราะนิสยปัจจัยเพราะอุปนิสยปัจจัยเพราะปุเรชาติปัจจัยเพราะอาศิวณปัจจัยทั้งสองวาระไม่มีปฏิสนธิเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิปากาปัจจัยย่อเพราะอวิกตปัจใจหนึ่งปัจจญานุโลม สสังขยาวาระหเหตุปัจจัยมีกล่าวาระอารมณปัจจัยมีกล่าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยและกล่าวาระอวิคตะปัจจัยมีกล่าวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบ2 ป, ปัจจยะปัจญิยะหนึ่งวิพังควาระณเหตุปัจจัย 6. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ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 มีอุตุเป็นสมุทฐานสําหรับเหล่าอาศัยในสัตวพรมสภาวธรรมที่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรฆด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรฆด้วยอุทจจะอาศัยขันธ์ที่สหรฆด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรฆด้วยอุทัจจะเกิดขึ้นน่าอารมณปัจจัยเป็นต้นเจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวาธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะหน้าอรมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะหน้าอรมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะมหาภูตรูปทั้งหมดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็โโบบบบนเหตุเกิดขึ้นเพราะนอาอรมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเพราะนอธิปติปัจจัยบริบูรณ์แล้วเพราะนอนัตตราปัจจัยเพราะนสมณันตราปัจจัยเพราะนอัญญมัญญปัจจัยเพราะนอุปาณิสิยปัจจัยนปุเรชาตะปัจใจแปด สภาวะธรรมที่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเนปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิอโทสะอโมหะอาศัยอโลภะเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจกนักรนายโมหะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโลภะอาศัยโมหะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้น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 พึงผูกเป็นจกกนักรไนโมหะและสัมปยุตขันอาศัยโลภะเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักระนัยในปฏิสนธิขณะเกสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุ 2, าา 2, เกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นจิตตสมุทานรูป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 ในรูปาวจรภูมิขันสามและเหตุอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะสิบสภาวธรรมที่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนบะุเรชาตปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิอาโทสะอาโมหะอาศัยอโลภะและสัมยุญตขันเกิดขึ้นพึงผูเป็นจกกนักรไน ในอรูปาวจรภูมิโมหะอาศัยโลภะและสัมบยุญัติขันเกิดขึ้นพึงโผปเป็นจักรในในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุและอาศัยเหตุเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองละถึง จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่เป็นเหตุและอาศัยเหตุเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยเหตุและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนภุเรชาตะปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิขันสามอโทสะและอโมหะอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุ และอาศัยอโรภะเกิดขึ้นอาศัยขันสองพึงผูกเป็นจักะนัยขันสามและโมหะอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุและอาศัยโลภะเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักรนัยในปฏิสนธิขณะ น, นปัจชาชาตปัจจัยเป็นต้นสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะณปัจชาชาติปัจจัยเพราะณอาเสวณปัจจัย นกรรมปัจจัยเป็นต้นสิบสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะเจตนาอาศัยเหตุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะเจตนาอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐาน ที่มีอุตุเป็นสมุธฐานสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะเจตนาอาศัยเหตุและสัมปยุตตขันเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัยมีกลาววาระหนอาหารับปัจจัยเป็นต้นสิบสามสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวาธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะน่ะอาหารปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอุตุเป็นสมนุทฐานสำหรับเราอาัศญยสัตยพรมมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นกระตัตรารูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นเพระเ Anal, าะนอินทริ ย, ยรปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมนนุทฐ า, า, านที่มีอุตุเป็นสมุทฐาน มหาภูตรูปหนึ่งอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสำหรับเหล่าอสัญญาสัตยพรมรูปปชิวิตินสีอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นเพราะณชาณปัจจัยได้แก่ปัญจวิญญาณที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสัญญาสัตยพรมเพราะนัมค้าปัจใจได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุ จึงไม่มีเหตุที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุกเป็นสมุทฐานสําหรับเราอาสัญญสัตยพรมเพราะณสัมปยุตตปัจจัยเพราะณวิปยุตตปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับณปุเรชาตปัจจัยมีวาระในอรูปเท่านั้นเพราะโนนติปัจจัยเพราะโนวิคตะปัจจัย 2. ปัจจยะปัจญิยะสองสังขยาวาระ สุทนายสิบนเหตุปัจจัยมีสองวาระนอารรมณปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนอนันตระปัจจัยมีสามวาระนสมณันตระปัจจัยมีสามวาระนอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระนัปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระ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 โนวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจ尼ยะจบสปัจจญานุโลมะปัจจ尼ยะเฮตุทุกขในสิบห้านอารรมณปั จ, จัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนะอทิปติปัจจัยละถึงมีห้าวาระนะอนันตระปัจัยมีสามวาระนอุปนิสยปัจัยมีสามวาระนะ นาปุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระนาปชาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนอาศุวนปัจจัยมีเก้าวาระนกรมมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนสัมปยุตตาปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีเก้าวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตาปัจจัยมีสามวาระอนุโลมปัจจญยะจก สปัจยะปัจญิยานุโลมนเหตุทุกนายสิบหกอารามณปัจจัยกับนเฮตุปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจใจและถึงมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาราปัจจัยมีสองวาระอินทริยปัจจัยมีสองวาระฌานะปัจจัยมีสองวาระ มัคราปั จ, จัยขับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจใจละถึงมีสองวาระอวิคตตปัจจัยมีสองวาระปัจ ني ยานุโลมจบสหชาตาวาระปัจยวาระและนิจยวาระมีวาระเหมือนกับปฏิจจวาระนั่นเองเมื่อจบมหาภูตารูปแล้วเพึงเพิ่มคำว่าธำอัตยวัตุให้เป็นปัจจัย พึงเพิ่มให้เหมือนกับอัยตนะห้าที่ได้ทั้งในอนุโลมและปัจจนินยะสังสถาวาระและสัมปยุตตะวาระบริบูรณ์แล้วรูปไม่มีมีแต่อรูปอย่างเดียวหนึ่งเฮตุทุกะ 7. ปัญหาวาระหนึ่งปัญญานุลม์หนึ่งวิพังขวาร ะ, ะเหตุปัจจัยบเจสภาวะธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยได้แก่อโลภะเป็นปัจจัยแก่อโทสะอโมหะโดยเหตุปัจจัยพึงผูกเป็นจักกนันในโลภะเป็นปัจจัยแก่โมหะโดยเหตุปัจจัย โทสะเป็นปัจจัยแก่โมหะโดยเหตุตกปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยเหตุกปัจจัยได้แก่เหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุฐานรูปโดยเหตุกปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุโดยเหตุกปัจจัยได้แก่อโลภะ เป็นปัจจัยแก่โทสะอโมหะสำประยุติขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยพึงโผเป็นจักกนัยโลภะเป็นปัจจัยแก่โมหะในปฏิสนธิขณะอารมณะปัจจัยสิบปดสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารฏเหตุเหตุจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยอรรถมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรารบเหตุขันที่ไม่เป็นเหตุจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุโดยอรรถมณะปัจจัยได้แก่เพราะปราลบเหตุเหตุและสัมยุญตะขันจึงเกิดขึ้น 19. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ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 พระอริยะพิจารณากิเลสที่ไม่เป็นเหตุซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาทายวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโทมานะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นเหตุ ด้วยเจโตปริยายานกาส า, านันานนจจาญญาตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญญาตนะกินัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารมณ์ปัจจัยขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยายาณ บุเพนิวาสารุสติยานยถากรามูปัคขยานอนาคตังสยานและอาวชนะจิตโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานละถึงมีเฉพาะข้อความตอนต้นเท่านั้นไม่มีอาวชนะจิตไม่มีข้อความนี้ว่ารูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุโดยอ ร, รมณ์ปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศรรีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศลนั้นเพราะปรารกุศลนั้นเหตุและสัมปยุตตะขันจึงเกิดขึ้นพึงจัดข้อความนี้เข้ากับบทที่มีในวาระนั้นๆ เหมือนกับข้อความตอนที่สองยี่สิสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเป็นปันจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยอรรถมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบเหตุและสัมยุญตะขันเหตุจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยอรรถมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบเหตุและสัมยุญตะขันขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุจึงเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุโดยอา ร, รมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบเหตุและสัมยุญตะขันเหตุและสัมยุญตะขันจึงเกิดขึ้นอธิปติปัจจัย21สภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยอาิปติปัจป จ, จัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติ อารมณนาธิปติได้แก่เพราะทําเหตุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเหตุจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปฎิธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมพยุจตเหตุโดยธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณนาธิปติได้แก่ เพราะรำเหตุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่ไม่เป็นเหตุจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแฉ่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุโดยธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมนาธิปติได้แก่ เพราะทำเหตุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเหตุและสัมปยุตตะขันจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันเหตุและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัย 22. สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยอธิปติปัจปจัยมีสองอย่างคืออา ร, รมนาธิปติและสหชาตาธิปติ อารัมนาทิปฏิได้แก่บุคคลให้ทานพึงขยายให้พิจารณาจนถึงขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุสหาชาตาทิปฏิได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปจัจจัยแก่สัมปยุจจขันและจิตตสมุบฐานรูปโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปจัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยอธิปฏิปฏัจจัยมีสองอย่างคืออารัมนาทิปฏิและสหาชาตาทิปติ อารมณนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานย่อพึงเพิ่มข้อความจนถึงหัยิวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดิธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมพยุทธะเหตุโดยทิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุดยิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาทิปติ และสหาชาตาทิปติอารมนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุและเหตุจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วพึงเพิ่มข้อความจนถึงหาทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุสหาชาตาธิปติได้แก่ อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยออรรแก่สัมปยุตตะขันเหตุและจิตตสุโมานรูปโดยธิปฏิปัจจัยี่สสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปฏิได้แก่เพราะทำเหตุและสัมปยุตตะขันให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเหตุจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุ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 ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเหตุและสัมนปยุทธ์ขันจึงเกิดขึ้นอนันตระปัจจัย24สภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยอนันตระปัจจัยได้แก่เหตุที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่เหตุที่เกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ เหตุที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุโดยอนันตระปัจจัยได้แก่เหตุที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่เหตุและจำปยุตตะขันธ์ซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัย 25. สสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ โดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูย่อเนวสัญญานาสัญญายาตนะเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยอนันตระปัจจัย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 เป็นป right ัจจัยแก่เหตุและสัมปยุตตะขันที่เกิดหลังๆโดยนัตระปัจจัยสมณันตระปัจจัยเป็นต้น27สภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยสมณันตระปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอนัตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยแม้ทั้งสองปัจจัยนี้เหมือนกับปิจจวาระ นิสยปัจจัยเหมือนกับนิสยปัจจัยในปัจจยวาระอุปานิสยปัจจัยี่สิบแปสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยอุปานิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออาราโมปาณิสยอนันตารูปนิสยและปกะตูปนิสยปกะตูปนิสยได้แก่เหตุเป็นปัจจัยแก่เหตุโดยอุปานิสยปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออราโมปานิสยาอันันตรูปานิสยและปะกระตูปนิสยปกระตูปานิสยได้แจ่เหตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุโดยอุปาณิสยาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่าง คืออรัมมณูปะนิสยาอนันตารู Station. ปะนิสยาและปกะตูปนิสยาปะกะตูปะนิสยะได้แก่เหตุเป็นปะ <Main> ัจจ <losers? S 2> ัยแก่เหตุและสัมปยุตตะขันโดยอุปาณิสยาปัจจัย29สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปะนิสยาอนันตารูปะนิสยาและปะกะตูปะนิสยา ปกตูปานิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วจึงให้ทานธรำสมาบัตให้เกิดขึ้นมีมา n ะเถอทิฏฐิอาศัยศีลเสนาสนะแล้วจึงให้ทานทำลายสงศรัทธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาภาะสมาบัตโดยอุปาณิสยาปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่าง คืออารัมณูปนิสียะอันันตารูปะนิสียะและปกะตูปะนิสียะปกะตูปะนิสียะได้แก่บุคคลนาศัยศรัทธาเสนาสนะแล้วจึงให้ทานทำลายสง์ศรัทธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาความปรารถนามรรคและพระสมาบัติโดยอุปาณิสียะปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุ โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปานิสยอนันตรูปานิสยและปะกะตูปานิสยปปะกะตูปานิสยปัจจัยนี้เหมือนกับอุปาณิสยปัจจัยข้อที่สองสามสิทสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุโดยอุปานิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปาิสยอนันตรูปาิสย และปรกาตูปนิสิยะปรกาตูปานิสิยะได้แก่เหตุและสัมปยุตตขันเป็นปัจจัยแก่เหตุโดยอุปนิสิยะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยอุปนิสิยะปัจจัยมีสามอย่างคืออรมาโนปานิสิยะอเนนตารูปานิสิยะและปรกาตูปนิสิยะปรกาตูปานิสิยะได้แก่เหตุและสัมปยุตตะขัน เป็นปัจจ wow. ัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุโดยอุปาเนสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุโดยอุปาเนสยปัจจัยมีสามอย่างคือรัมโมปานิสยอนันตรูปาเนสยและปกระตูปาเนสยปกระตูปาเนสยได้แก่เหตุและสัมปยุตตะขันเป็นปัจจัยแก่เหตุและสัมปยุตตะขันโดยอุปาเนสยปัจจัย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 ฟังเสียงด้วยที่ประโสงค์ถาทัตรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตะปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณโดยปุเรชาตะปัจจัยกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตะปัจจัยภาทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุ โดยปุเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณ์ปุเรชาตะและวัตถุ ป, ปุเรชาตะอารมณ์ปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาทายวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงธูมณะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ขุฟังเสียงด้วยที่ประโสทท่าด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 วัตถุปเรชาตะได้แก่ภาทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่เหตุและสัมพยุตจขันโดยปเรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยเป็นต้นสาสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยปัจฉาชาตะปัจจัยได้แก่เหตุที่เกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายในที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ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 โดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยอาเสวนาปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตระปัจจัยกรรมะปัจจัยสาสสาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยกรรมะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สัมปชุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมะปัใจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากและขจิตตารูปโดยกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยกรรมะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหาชาตะได้แก่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 เจตนาที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมบยุตระขันเหตุและจิตตสมุทานรูปโดยละมะปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิปลากเหตุและขตัตารูปโดยลรมปัจจัยวิปากะปัจจัยสามสิบสี่สภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุ โดยวิปากับปัจจัยได้แก่โอโลภะที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่อโทสะอโมหะโดยวิปากับปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระในวิปากับวิพังมีกล่าววาระอาหาระปัจจัยส5สหสภาวธรรม ท, ที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมทีท่ททไม่เป็นเหตุโดยอาหาระปัจจัยได้แก่อาหารที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขนัน และจิตตะสมุทฐานรูปโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะเ้าเรียนกาหานเป็นปัจจัยแก่ๆนี้โดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตเหตุโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ <Jub ilee> เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันเหตุและจิตตสมุทฐานรูปโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะอินทริยะปัจจัย36สภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยอินทริยปัจจัยบทที่มีเหตุเป็นมูลมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยอินทรีย์ปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่ไม่เป็นเหตุเป็นป really, ええัจจัยแก่สัมยุญจัขันและจิตตสมุทารูปโดยอินทริย์ปัจจัยในปฏิสนธิขณะจากขุนสี่เป็นปัจจัยแก่จากขววิญญาณรายยินรี่เป็นปัจจัยแก่กายยวิญญาณรูปปัจชิวิตินทรี่เป็นปัจจัยแก่คตัตารูปโดยอินทรีย์ปัจจัย พึงขยายอินทรียรปัจจัยให้พิจาราอย่างนี้มีก้าวาระชานะปัจจัยเป็นต้นสาสสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยชานะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุโดยมาารคราปจัยเป็นปัจจัยโดยสำยุตตปัจจัยสองปัจจัยเหล่านี้มีก้าวาระ วิบยุตตาปัจจัย38สภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยวิบยุตตาปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหาชาตะได้แก่เหตุเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิบยุตตาปัจจัยในปฏิสน ธ, ธิขณะเหตุเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยวิบยุตตาปัจจัยเหตุเป็นปัจจัยแก่หาทายวัตถุ โดยวิทยุตะปัจัย